ยังได้ใช้เวลาที่ว่างนี้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจด้วยการมาประพฤติมาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญเรียกว่ากุศลเป็นเหตุ ที่จะทำให้ชีวิตจิตใจของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองข้ามหน้ามีความสุขหลักสจากความทุกข์ทั้งหลายไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกนี้จะสามารถทำให้ใจของเราสุขได้และไม่มีความทุกข์ได้นอกจากบุญและกุศลนี้เท่านั้น ดังนั้นขอให้พวกเราจงให้ความสำคัญต่อการสร้างบุญสร้างคุสมมากกว่าการสร้างทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเพราะทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี้ไม่สามารถดูแลรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้วุ่นวายใจได้เป็นมหาเศรษฐี ก็ยังมีความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่แต่คนที่มีธรรมะคือเป็นเศรษฐีธรรมจะไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความทุกข์ใจเลย mm hmm. เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกอราหันทั้งหลายท่านเป็นเศรษฐีธรรมท่านเป็นเศษ ร, รเเศษฐีรัพ์ภายในที่สามารถดูแลรักษาใจของท่าน ให้มีความสุขมีความอิ่มเอิบตัศจาความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ส่วนทรัพย์ภายนอกนี้ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรกับใจเลยกับเป็นโทษกับใจเสียมากกว่าเพราะถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกก็จะกลายเป็น กองทุกข์ขึ้นมากลายเป็นภาระขึ้นมากลายเป็นภูเขาให้หัวใจต้องแบกขึ้นมาผู้ที่มีทรัพย์จึงควรที่จะรู้จักวิธีปฏิบัติกับทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกนี้เราต้องเข้าใจว่าเขามีไว้เพียงแต่ดูแล ร่างกายของเราเท่านั้นเองคือให้เราได้มีปัจจัยสี่ครบถ้วนบริบูรณ์ให้เรามีบ้านอยู่อาศัยให้มีเสื้อผ้าใสมีอาหารรับประทานมียารักษาโรคถ้าเรามีพอเพียงแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้มากจนเกินไปเก็บไว้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร มีแต่จะทำให้เราหวงและห่วงและต้องเสียดายเสียใจเวลาที่สูญเสียไปแล้วในที่สุดชีวิตของเราก็ต้องจากทับย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปถ้าเราหวงเราห่วงเวลาเราจากไปเราจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเราไม่หวงไม่ห่วงเรามีอะไร เราไม่ยึดไม่ติดเรารู้ว่ามันเพียงเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นเองและก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับจิตใจของเรามีแต่คอยดูแลร่างกายของเราเท่านั้นถึงแม้จะมีมากขนาดไหนหรือดูแลได้ดีมากขนาดไหนก็ตามร่างกายในที่สุดก็ต้องแตกสลายไป เงินทองมีกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถที่จะรักษาร่างกายให้อยู่ไปได้ตลอดนี่คือเราต้องรู้จักการปฏิบัติกับเงินทองกับสมบัติเข้าของต่างๆเราต้องรู้ว่าเขาไม่เที่ยงเขาไม่อยู่กับเราไปตลอดเขาไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงของเราเวลา เราแยกจากร่างกายไปเราก็ไปกับทรัพย์ภายในเท่านั้นเองหรือหนี้ภายในทรัพย์ภายในก็คือบุญกุศลที่เรามาสร้างกันส่วนหนี้ภายในก็คือบาปที่เราสร้างกันเอาไว้จะติดตัวเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกหนี้ภายนอกนี้ไม่ติดไปกับเรา สมมติว่าเรามีหนี้มีสินพอเราตายไปเขาก็ไม่สามารถที่จะไปตามทวงหนี้เราได้เรามีเงินกองเท่าภูเขาเราก็ไม่สามารถเอาไปกับเราได้สิ่งที่เราไปได้ก็คือบุญกุศลที่เป็นทรัพย์ภายในและบาปกรรมที่เป็นหนี้ภายในเท่านั้นดังนั้นคนฉลาดจึง สร้างแต่บุญสร้างกุศลไม่สร้างนี่ภายในคือไม่สร้างบาปสร้างกรรมเพราะนี่ภายในนี่แหลเป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องทุกข์ระทมต้องวุ่นวายต้องทรมานต้องรุ่มร้อน ต, ต้องไปเกิดในภพชาติที่ไม่ปราดหน้าปราถนาเช่นต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้าง นี่เป็นผลที่เกิดจากการสร้างหนี้ภายในคือสร้างบาปสร้างกรรมเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์กระพติผิดประเวณีพูดปฏดมดเท็ดและเสพสุรายาเมาการกระทาเหล่านี้เรียกว่าเป็นการสร้างหนี้ให้แก่ใจที่ใจจะต้องไปรับต้องไปรับใช้ชดเชย ถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศลเราก็จะได้สิ่งที่ดีไปกับใจใจก็จะมีความสุขมีความเจริญมีทรัพย์ภายนอกรอเราอยู่เวลาที่เราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะได้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองรอเราอยู่จะมีรูปร่างหน้าตาสวยงามถ้าเราสร้างบุญสร้างกุศล ถึงขั้นสูงสุดได้เราก็จะมีพระนิพพานรอเราอยู่พระนิพพานนี้เป็นบ้านที่ดีที่สุดเพราะเป็นบ้านที่มีครบทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบ้านแก้วสารพัดนึกเราต้องการอะไรอยากได้อะไรอยากได้ความสุขขนาดไหนเราก็จะได้ตา ม, าม่านปรารถนาของเราเราไม่ต้องการพบกับความทุกข์ทั้งหลาย เราก็จะไม่ต้องพบเพราะพระนิพพานนีส้สามารถเนรมิต ท, ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการได้เป็นผลที่เกิดจากการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ เราก็จะได้สมบัติที่วิเศษนี้คือพระนิพพานถ้าไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็จะได้ลดลดดหล่อนลดหย่ันลงมาลดตามลําดับลงมาถ้าไม่ได้พระนิพพานก็จะได้พรหมสมบัติได้ไปเกิดเป็นพรหมถ้าไม่ได้พรหมสมบัติก็ได้ไปเกิดเป็นเทพได้เทวสมบัติถ้าไม่ได้เทวสมบัติก็ได้กลับมา ได้มามนุษย์ยศสมบัติได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนขั้นที่หนึ่งก็ทรงสอนให้เราทําบุญให้ทานให้เราเสียสละเงินทองข้าวของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องอาศัยเราก็เอามาทําบุญให้ทาน ทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับคารวะญาติโยมก็ได้เช่นทำกับคนที่มีพระคุณของเราก็ได้เช่นทำกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายทำกับญาติสนิทมิตรสหายทำกับพี่กับน้องทำกับเพื่อนก็ได้บุญเหมือนกันถ้าเรามีอะไรเราแบ่งปันให้เขาเช่นในวันช่วงปีใหม่นี้ เราก็ไปซื้อของขวัญต่างๆไปแจกคนนั้นแจกคนนี้นี่ก็เป็นการทำบุญแล้วคาว่าบุญนี้แปลว่าความสุขใจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจกันเรามักจะคิดว่าถ้าให้คารวาดเราได้ทานถ้าเราให้พระเราถึงจะได้บุญแต่ความจริงบุญและทานนี้ก็มีความหมายอันเดียวกัน คือความสุขใจเวลาเราให้แล้วเราก็มีความสุขใจทีนี้จะมีความสุขใจมากหรือน้อยก็อยู่ที่เหตุผลหรือเงื่อนไขของการให้ถ้าเราให้โดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยความปรารถนาดีอยากให้ผู้รับมีความสุขไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับเลย แม้แต่คำว่าขอบคุณก็ไม่ปรารถนาอย่างนี้เราก็จะมีความสุขมากเช่นเวลาเราปล่อยนกปล่อยปลาเราไม่ได้หวังให้นกให้ปลามาขอบอกขอบใจเราหรือให้เขามีความสำนึกในบุญในคุณของเราเราอยากจะให้เขาได้มีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเป็นการให้ชีวิตแก่เขา พอเราทำอย่างนี้แล้วเราก็มีความสุขมากเราจะไม่มีความเสียใจหรือมีความทุกข์ใจเลยไม่เหมือนกับเวลาที่เราให้แล้วมีเงื่อนไขเช่นเราให้ของขวัญเขาแล้วเราอยากจะให้เขาให้ของขวัญกลับคืนมาตอบแทนกันเวลาเราให้ของขวัญเขาแล้วถ้าเขาไม่ให้ของขวัญเราเราก็จะเสียใจ อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นบุญถ้าเป็นบุญแล้วต้องไม่หวังสิ่งตอบแทนจากผู้รับแม้แต่คําว่าขอบคุณก็ไม่ต้องการแต่ถ้าเขาจะให้ก็รับไว้อยู่ถ้าเขาว่าขอบอกขอบใจเราเราก็รับคําขอบอกขอบใจเขาถ้าเขามีของขวัญอยากจะให้เราเราก็รับไว้ได้อย่างนี้ไม่เป็นไร ตราบใดถ้าเราให้ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์คือไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแต่เขาให้เราเราก็รับไว้เพื่อเป็นการาฉลองศรัทธาไม่ให้เขาเสียใจอย่างนี้ก็จะเป็นบุญนี่คือการทําบุญต้องทําแบบปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดให้อะไรเขาไปแล้วเราต้องถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้ว เป็นของเขาแล้วเขาจะประทาอะไรอย่างไรนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปไปไปบอกเขาแล้วถ้าเราบอกเขาแสดงว่าเราให้อย่างมีเงื่อนไขถ้าเราให้อย่างมีเงื่อนไขถ้าเขาไปทำในสิ่งที่เราไม่ได้บอกให้เขาทำเราก็จะเสียใจแทนที่จะมีความสุขใจเราก็จะทุกข์ใจขึ้นมา แต่การให้ที่มีเงื่อนไขนี้ก็มีความจำเป็นในบางเวลาบางครั้งเพราะเรามีจุดประสงค์ให้ได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาดูอย่างรอบคอบก่อนว่าคนที่เราจะให้เขาไปทำสิ่งที่เราต้องการนี้เขาจะทำตามที่เราต้องการหรือไม่ ถ้าเขาไม่ทำตามที่ต้องการเราก็ไม่ควรที่จะให้เขาเช่นเราเอาเงินไปถวายวัดแล้วให้สร้างกุฏิแต่พระที่รับเงินนั้นถ้าไม่ได้เอาไปสร้างกุฏิถ้าเรารู้เขา้าอย่างนี้เราก็คราวหน้าเราก็อย่าไปให้พระองค์นั้นแสดงว่าท่านไม่ได้ทำตามที่เราปรารถนา เราก็ไม่ทราบว่าท่านเอาเงินไปทําอะไรแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้แบบไม่มีความกังวลใจให้ไปแล้วแล้วแต่ว่าท่านจะไปทําอะไรเพื่อสุดแท้แต่ถ้าเราให้แบบนี้เราก็จะมีความสุขใจมีความสบายใจ<ม>ก็แล้วแต่ว่าเราจะให้อย่างไรเราสามารถเลือกได้เพราะมี มันมีหลายกรณีด้วยกันในแต่กรณีนี้ก็ไม่เหมือนกันบางทีก็ต้องให้ด้วยเงื่อนไขบางทีก็ให้ด้วยไม่มีเงื่อนไขให้ไม่มีเงื่อนไขนี่มันจะมีความสุขมากถ้าให้ด้วยด้วยด้วยการมีเงื่อนไขนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาจะไปทำตามที่เราให้เขาทําหรือไม่ถ้าเขาทาตามเราก็มีความสุข ถ้าเขาไม่ทำตามเราก็จะมีความทุกข์นี่คือการให้ข้อสำคัญการให้นี้ก็เพื่อที่จะมาชำระสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราที่ทำให้เราไม่สบายอกไม่สบายใจหรือมีความคับแคบใจเช่นความตนหนีความหวงแหนในสิ่งของต่างๆ เวลาเราหวงนีใจของเราจะพวักพวนจะคอยกังวลและจะเสียใจเวลาที่ของที่เราหวงนี้จากเราไปหรือหายไปแต่ถ้าเราให้อยู่เรื่อยๆเราก็จะลดหรือตัดความหวงความตนิลงไปได้เวลาที่เราเสียอะไรไป เราจะไม่รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจเพราะเราจะคิดว่าเป็นการทำบุญไปใครได้ไปก็ถือว่าเขาก็ได้รับความสุขไปเราก็มีความปรารถนาที่จะให้คนอื่นมีความสุขแล้วการปรารถนาดีต่อผู้อื่นนี้เรียกว่าเมตตาเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีเมตตากับสรรพสัตว์ทั้งหลาย อย่าไปเลือกคนนั้นเลือกคนนี้ความเมตตานี้ควรที่จะเป็นสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงถ้าเรามีใจเมตตาขนาดนั้นแล้วเราจะมีความสุขมากเพราะเราจะไม่มีศัตรูถึงแม้ใครจะคิดร้ายกับเราทำร้ายเราแต่เรากับมีความเมตตาต่อเขาก็จะดับ ความอาฆาตพยาบาทได้ดับการจองเวรจองกรรมได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเวลาที่ใครมาทำให้เราโกรธอย่างนี้ถ้าเราไม่ดับความโกรธภายในใจใจของเราก็จะถูกไฟของความโกรธนี้เผาผลาญอยู่ทำให้กินไม่ได้นอนไม่หลับ ทำให้วุ่นวายใจแต่ถ้าเรามีความเมตตาสัเพสตาเรามีความปรารถนาดีกับเขาอยากจะให้เขาอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขถึงแม้เขาจะทำร้ายเราถึงแม้เขาจะด่าเราแต่เราไม่โกรธเคืองเขาเราไม่จองเวรเขาใจของเราจะมีความสุขมากนี่ก็เป็นบุญเพราะว่าเรา มีความปรารถนาดีต่อผู้นั่นเองดังนั้นขอให้เราพยายามสร้างความเมตตานี้ให้เกิดขึ้นเวลาที่เราสวดมนต์และเราสวดบทเมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการฝึกแผ่เมตตาเท่านั้นเองเวลาที่เราต้องแผ่เมตตานั้นต้องเวลาที่เราเจอกับคน เวลาเจอใครนี้เราควรจะแผ่เมตตาตอนนั้นเช่นทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ใช่หน่าบึ้งตึงหน้าเครียดเครียดหน้ามีอาการโกรธเคืองอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้แผ่เมตตาถ้าเจอใครเห็นใครทักทายเขายิ้มแย้มแจ่มใสอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาเวลาใครด่าเราทำร้ายเรา เราก็ไม่ไปทำร้ายเขาไม่ตอบโต้เขาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาถ้าเราแผ่เมตตาได้แล้วใ จ, จของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนกับการกระทาของคนอื่นคนอื่นเขาจะดีหรือจะชั่วกับเราจะไม่มีผลกระทบกับใจของเราแต่อย่างใดเพราะใจของเรารับได้ทั้งสองอย่างดีก็รับได้ชั่วก็รับได้ เหมือนกับเรารับแดดรับฝนอย่างนี้เป็นต้นฝนตกเราก็รับได้แดดออกเราก็รับได้อยู่ที่ใจของเราเท่านั้นแหละว่าจะรับหรือไม่รับถ้าเรามีธรรมะเรามีปัญญาเราจะรับได้ทุกอย่างเพราะเรารู้ว่าการรับทุกอย่างได้นี้เป็นสุขถ้ารับไม่ได้ก็จะเป็นทุกขเวลาใครด่าเราเรารับไม่ได้เราก็จะมีความทุกข์ แต่เวลาใครด่าเราแล้วเรารับได้เรามองไปในแง่ดีเช่นมองว่าคนที่ด่าเรานี่เขากำลังชี้ข้อบกพร่องของเราเขากำลังชี้ขุมทรัพย์ให้กับเราเช่นเขาว่าเรานิสัยไม่ดีขี้เกียจขี้ค้านกินเหล้าเมายาเล่นการพนานอย่างนี้เราอย่าไปโกรธเขาเราควรหันมาดูการกระทำของเรา ว่าเป็นดังที่เขาพูดหรือไม่ถ้าเป็นอย่างที่เขาพูดเราก็ควรที่จะแก้ไขปรับปรุงตัวเราเองเราจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นมาได้นี่คือการมองคำดุด่าว่ากล่าวของคนอื่นเพื่อไม่ให้เกิดความโกรธแค้นโกรธเครืองตา่างขึ้นมาหรือถ้าเขาว่าเราเป็นควายอย่างนี้ เราก็ดูว่าเราหน้าตาเหมือนควายหรือเปล่าเรามีเขาหรือเปล่าเราเดินสี่เท้าหรือเปล่ามีหางหรือเปล่าถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ได้เป็นควายเราจะไปเดือดร้อนทำไมแสดงว่าคนที่ดูคนที่ว่าเรานิตาตามัวตาบอดแสดงว่าพูดแบบไม่มีสาระพูดเพ้อเจ้อเราก็ไม่ต้องไปเชื่อคำพูดของเขาก็มีเท่านั้นเอง ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราจะไม่โกรธใครเราจะรับได้ทุกอย่างไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วหรือการกระทำของผู้อื่นถ้าเขาทำร้ายเราก็ให้เราคิดว่าเขาเพียงแต่ตีเราเขายังไม่ฆ่าเราถ้าคิดอย่างนี้เราก็สบายใจขึ้นเยอะนะแล้วถ้าเกิดเขาฆ่าเราเร า, เาให้คิดว่าคนเราเกิดมาไม่ช้าก็เลยก็ต้องตายกันไปทั้งหมด แต่ตายแบบนี้ตายแบบไม่โกรธไม่แค้นนี้ตายแล้วไปสวรรค์ตายแล้วไปพระนิพพานได้แต่ถ้าตายแล้วโกรธอย่างนี้ไปนรกดังนั้นขอให้เรารู้จักคิดให้ถูกการความคิดของเรานี่แหละเป็นเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์อยู่ที่ความคิดของเรา เช่นจะยกตัวอย่างมีคนสองคนมีเงินเท่ากันคนหนึ่งดีใจอีกคนหนึ่งเสียใจอยู่ที่ความคิดของเขาคนที่เสียใจเพราะว่าเขาเคยมีอยู่ร้อยล้านแล้วเขาเหลืออยู่สิบล้านเขาก็เสียใจแต่คนที่มีอยู่ล้านหนึ่งแล้วได้มาสิบล้านเขาก็ดีใจอยู่ที่เราจะคิดเท่านั้นเองว่าจะคิดอย่างไร คิดแล้วมีความสุขก็ได้เช่นเขาด่าเราก็ให้คิดว่าเขายังไม่ตีเราเราก็มีความสุขแล้วเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้คิดว่าเป็นการสะเดาะเพราะกันไปเท่ากันคิดว่ามันไม่เลวกว่า น, นี้ก็ดีแล้วเช่นเราเกิดอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราก็คิดว่าเรายังไม่ตายก็ดีแล้ว ให้คิดในทางที่ดีไว้เพราะความคิดของเรานี่แหละเป็นเหตุที่จะสร้างความสุขหรือสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของเราถ้าอยากจะมีความสุขตลอดเวลาก็ให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของเราสรักวันหนึงเราก็ต้องจากสิ่งต่างๆไปถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งต่างๆและเวลาที่เรา จากเขาไปหรือเขาจากเราไปเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราไปคิดว่าเป็นของเราและเวลาที่เขาจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเราจะต้องทุกทรมนานใจอย่างมากอยู่ที่ความคิดของเราทั้งนั้นความคิดของเรานี้แหละเป็นเหตุที่จะทำให้เรามีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดก็ขอให้เราคิด ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คิดท่านสอนให้เราคิดให้ทานให้เสียสลับท่านสอนให้เราคิดไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็สอนให้เราคิดทำใจให้สงบวิธีคิดที่จะทำใจให้สงบก็คือให้คิดอยู่คำว่าพุทโธอยู่เพียงคําเดียวภายในใจอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ที่ไหนให้คิดอยากคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปแล้วใจของเราจะมีความสงบมีความร่มเย็นไม่วุ่นวายใจไม่เดือดร้อนถ้าเราไม่คิดพอเราคิดว่าสิ่งนั้นเป็นของเราสิ่งนี้เป็นของเราพอใครมาแตะมาต้องเข้าเราก็จะโกรธขึ้นมาเราก็จะเสียใจขึ้นมาแต่ถ้าเราคิดพุโทโธพุธโทโธไว้เรื่อยๆ หรือคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราถ้าคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจของเราจะเย็นจะสบายจะไม่หวาดกลัวกับการสูญเสียสิ่งต่างๆไปเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียไปอย่างแน่นอนเช่นร่างกายของเรานี้เราก็ควรจะคิดอยู่เรื่อยๆว่าไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราเป็นใจ ใจมาครอบครองร่างกายนี้เหมือนกับคนขับรถเป็นเจ้าของของรถแต่รถกับคนขับนี้เป็นคนละส่วนกันเวลารถเป็นอะไรไปคนขับไม่ได้เป็นไปด้วยเวลาร่างกายเป็นอะไรไปใจก็ไม่ได้เป็นไปด้วยใจก็ยังเป็นใจเหมือนเดิมอยู่ใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่แตกไม่ดับ ใจนี้อยู่กับเราตลอดแต่กายนี้ไม่อยู่กับเราร่างกายของเราไม่อยู่กับเราร่างกายของสามีของภรรยาของลูกของเราของก็ไม่ได้อยู่กับเราสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปดังนั้นถ้าเราคอยสอนใจเราอยู่เรื่อยใจของเราจะไม่ยึดไม่ติดจะไม่หวงจะไม่ห่วงแต่ ดูแลกันตามอัตภาพตามหน้าที่ตามความสามารถมีลูกเราก็เลี้ยงลูกดูแลลูกไปมีพ่อมีแม่เวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันไปแต่ถ้าถึงเวลาที่ท่านจะต้องตายไปเราก็ต้องปล่อยให้ท่านไปไม่มีใครยับยั้งความตายได้ไม่มีใครยับยั้งความแก่ได้ไม่มีใครยับยังยบย้งความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ แต่คนที่ปล่อยวางนี้จะยับยั้งความทุกข์ทรมานใจได้จะไม่เศร้าโศกเสียใจจะไม่หวาดกลัวแต่อย่างใดจะอยู่อย่างปกติไม่ว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่จะแก่หรือไม่หรือจะตายหรือไม่จะไม่มีผลอะไรกับใจเลยเพราะใจสามารถแยกออกจากร่างกายได้ เหมือนกับเราเห็นร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จักเขาจะเป็นเขาจะตายอย่างไรเราไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเขาเราไม่ได้ไปเอาใจของเราไปผูกมัดไว้กับเขาว่าเป็นของเราหรือเป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นพ่อเราหรือเป็นแม่เรานั่นเองร่างกายของพ่อของแม่ของญาติเราของเพื่อนเราก็เหมือนกับร่างกายของคนอื่นที่เราไม่รู้จัก ที่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปที่มาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะกลับไปสู่ดินน้ำลงไฟนี่คือการคิดที่จะทําให้ใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างไม่เดือดร้อนอยู่อย่างไม่หวาดกลัวความหวาดกลัวนี้ไม่สามารถที่ไปหยุดยั้งความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ แต่จะทำให้ใจของเราทุกทรมานไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรสู้ไม่กลัวดีกว่าและการไม่กลัวก็คือต้องยอมรับความจริงต้องยอมรับว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปเมื่อถึงเวลาของเขาถ้ายังไม่ถึงเวลาเรารักษาได้เราก็รักษาไปแต่เมื่อหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วก็ปล่อยไป ถ้าปล่อยแล้วใจเราจะสงบจะนิ่งจะไม่วุ่นวายจะไม่ทุกข์จะเป็นเหมือนอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้ใจของเราจะเย็นจะสบายเพราะใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันถ้าใจไม่ไปผูกพันกับร่างกายแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่มีอย่างแน่นอนนี่คือการ ป, ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างความสุขให้แก่ใจสร้างที่พึ่งให้แก่ใจเพื่อใจจะได้ไม่ต้องทุกขทรมานกับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆที่ใจต้องรู้ต้องสัมผัสอยู่ตลอดเวลาในเบื้องต้นถ้าไม่สามารถคิดอย่างนี้ได้ก็ให้คิดคำว่าพุโทโธไปก่อนก็ได้เพราะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดวันหนึ่งเวลาเราอยู่คนเดียว ไม่มีความจำเป็นที่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสงบใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความพอใจจะไม่หิวไม่อยากกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อไม่หิวไม่อยากก็ไม่ต้องไปดื่นรนไปขวนขวายไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วก็ไม่ต้องเสียใจ เวลาไม่ได้สิ่งที่อยากไดนะ้ความเสียใจนี้เกิดจากความอยากได้ถ้าอยากได้อะไรแล้วไม่ได้ก็จะเสียใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่มีความเสียใจและจะไม่มีความโกรธเพราะความโกรธก็เกิดจากความอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจเช <c oughs> ่นเราอยากได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมีคนอื่นเข้ามาขวางมาขัดขวาง ไม่ให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธคนที่ขวางเราดังนั้นขอให้เราจงพยายาม <c oughs> ลดละความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้อยากในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้น <c oughs> เช่นอยากในปัจจัยสี่ต้องรับประทานอาหารก็รับประทานไปต้องหายใจก็หายใจไปต้องดื่มน้ําก็ดื่มไปสิ่งที่จําเป็นนี้ ถ้าอยากไม่ถือว่าเป็นกิเลสไม่ถือเป็นความทุกข์นะแต่ถ้าอยากในสิ่งที่ไม่จำเป็นถึงจะเป็นความทุกข์เช่นอยากใหญ่อยากโตอยากร่ำอยา ก, ร, ยากรวยอย่างนี้จะทำให้ใจของเราต้องมีความทุกข์ขึ้นมาจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาประพุธมาปฏิบัติตามพระรามคำสอนของพระพระเจ้า นี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิริศพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่วเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพรศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบางเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุรนัสุขพะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ